แต่หาท่านอาจารย์มั่นทีแรกท่านเทศน์ฟังไม่เข้าใจแต่ก็ดีไม่เคยคิดตนหนิท่านมาตำหนิตัวเองนั่นเห็นไมหมหวังเคยฟังเทศแม้กระทําเทศสําเร็จก็เคยฟังเข้าใจมาเป็นลําดับกําดาแต่พอมาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นไม่เข้าใจแต่ว่าตัวงูหรือัวฉลาดหวังว่ า, าตัวเอง อาจารย์มั่นปรากฏชื่อนามมานานแล้วทางด้านปฏิปฏิมัติใทางจิตใจเวลาท่านเทศให้ฟังเกี่ยวกับทางจิตใจ จ, จริงๆแล้วไม่เข้าใจนี่เห็นทันแล้วยังความโงของตัวเองไวนะ้เพราะส่วนมากท่านเทศสอนพระท่านจะเทศแต่ด้านปฏิบัติล้วนๆเราไม่เข้าใจเลย นั่งฟังอย่างนั้นเพราะท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องอย่างนั้นอนี้อย่างที่เราเนรื่องจิตเรื่องขันเร อ, อะไรเราก็ไม่สราบจนกระทั่งจิตสงบลงได้เริ่มเข้าใจจิตเริ่มสงบก็เริ่มเข้าใจจิตมีฐานแห่งสมาธิ ก็ยิ่งเข้าใจชัดเจนไปโดยลำหนักลำหนักจากนั้นก็กลายเป็นซึ้งเลยซึ้งไปเรื่อยๆใท่านะถึงเรื่องปัญญาแม้เจ้าของจะยังไม่ก้าวเดินทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่ามันซึ้งไปทตามกันเพราะจิตมันรับแล้วจิตเมื่อจิตมีฐานด้วยดีแล้วย่อมรับทําได้ดีถ้ามันยังไม่มีฐานต้อก็ต้องค่อยรับ ไม่ค่อยเข้าใจก็มันทราบจะรับได้ยังไงการฟังเรื่อยๆการปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอกเป็นการขัดเกลาจิต ด, ด้วยกันทั้งนั้นการปฏิบัติโดยลำพังตนเองก็เป็นการขัดเกลาจิตการฟังจากท่านก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเราเป็นลำหนักํานหลับจิตใจก็ยิ่งมีความสงอบเยอเย็น เต่าท่านอธิบายธรรมะเป็นตนตอนเป็นทักทักไปเรามีข้อความใจจุดใดอยู่พอท่านเทศฐานไปตรงนั้นเราก็ได้รับความเข้าใจทันทีทันทีแล้วค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆแตก่อนที่ได้อ่านในประวัติว่าครั้งปฏิการพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธเบร์สัทได้บรรลุมรรคผลมิพานกนันเป็นจานวนมากมาย จ่ว่าสงสัยก็ยังก็ยังไม่ใช่ต่ว่าไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่อเพราะเรายังไม่สนใจคิดอะไรมากนะแต่พอมาปฏิบัตินี้ถึงเข้าใจคือภูมิของผู้รับการอบรมนั้นมีต่างกันฟังเทศน์คราวนี้เลื่อนความเข้าใจไปเป็นลำดับ ไปถึงนั้นแล้วต่อไปก็เข้าสงสัยในจุดนั้นพอท่านเทศก็ผ่านไปเรื่อยเข้าใจไป เ, เรื่อยเลื่อนระดับไปเรื่อยต่อไปก็ผ่านไปได้เนี่ยยิ่งผู้ติดจวนอยู่ในธรรมะขั้นละเอียดด้วยแล้วก็ยิ่งไปได้อย่างรวดร็วทีนี้ผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งที่สู่บริษัทเป็นสาคัญมากเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านปฏิบัติของท่านอยู่เป็นประจําภูมิคิดมีความเหลื่อดล้อนต่าสูงกัน เป็นลำดับลำดาของการปฏิบัติเพรางัการฟังเทศกิจเป็นเรื่องเบร์เป็นการเบริกทางให้ท่านได้ก้าวไปบระเลงเล็กแล้วน้อยโดยลำดับลำดับพอผู้ผู้พอที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านไปไเรื่อยๆนั่นแหละที่ว่าสําเร็จนอกผลนิพพานคือท่านเทศจะแก้ความสงสัยได้และผ่านไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นพระอนิตตราภิกขุ ขันกำลังสงสัยธรรมะขั้นละเอียดที่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันตกบุดีพอดีฝนตกก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถุนนั่นสั้งเดดดูน้ำที่ตกลงมาจากชายคาก็มากระทบน้ำกับพืพ้นแล้วเกิดตั้งเป็นตาต่อมเป็นฟองขึ้นมาตั้งคืออะไรมันก็ดักตากด ท่านกับพิจนาเทียบเียงกับจิตภายในคือสังขารคือความปรุงเพราะจิตทันนี้จะพิจารณาเรื่องสังขารความปรุงของใจมากกว่าอย่างอื่นในเวลาน้ําตกลงมากระทบกั น, นนอกจากมีความกระเพื่อมแล้วก็สร้างเป็นต่อมขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านเขาพิจนาเทียบเียงอยู่ภายในเข้ามาภายในคือความคิดความปรุงของจิต คิดดีคิดชั่วมีความเกิดควาดับเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำดับลำดับเสร็จแล้วก็ลงกลายไปเป็นน้ําอันของเก่าอันนี้เสร็จแล้วก็ลงไปที่จิตของเก่าท่านเลบรรลุธรรมในรฐานที่นันเสียพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วผลตกอยู่ท่านก็กลับไปกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหมดข้อสงสัยแล้วหนักทำความจริงเมื่อเข้าถึงจิต ดวงใดจิตดวงนั้นจงหายสงสัยทันทีแม้แต่จะไปทูนถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ทูนถามเพราะหายสงสัยแล้วแม้จะไปทูนถามท่านท่านก็จะรับสั่งว่าอย่างที่เข้าใจนี้ก็เลยหมดปัญหากลับไปกุดีนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังธรรม อีทั้งนั้นมีอะไรมาสัมผัสเป็นธรรมทั้งหมดเพราะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราลึกรู้รปัญญ า, าออก็ยิ่งตามทันทีทันทีด้วยอตโน ม, มัตพิจารณาอย่างรวดเร็วอะไรมากระทบรู้เท่าทันพิจารณาแยกแยะเป็นอัดเป็นธรรมไปทั้งสิน้นดังที่าอาจารย์มั่ น, น, นท่านขราบเดียนพระมหาเถระดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านอยู่คนเดียว เลาเกิดข้อของใจขึ้นมาท่านปรึกษาปารสกับใครท่านบอกท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดด่อนเลยทันว่าหมาเทละาบอกไม่กล้าจะข้านทันวายยังไงเพราะไม่เข้าใจน่ประการที่สองท่านพูดออกมาจากความจริงก็ไม่กล้าจะข้านท่านได้ยังไงคําที่ว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือสิ่งที่มาสัมผัส ถูกสติปัญญาอยู่ตลอบเวลาให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายและให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายจนเป็นที่เข้าใจเข้าใจไปลำดับนั่นแหละคือการฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนเพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นทำงานเพื่อทำทั้งนั้นไม่เพื่ออย่างอืน่นอะไรทั้งหมดนอกจากทำล้วนๆท่างนั้นด้วยเห็นนี้ท่านจึงสอนให้จิตมีความสงบ อบรมสมาธิเพื่วใจได้รับความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามันจะตั้งหน้าทำหน้าที่ทำานนั่นนั่นไปเพราะความมันหิวโหยของจิตจิตที่มีความสงบมีภูมิฐานแห่งความสงบอยู่ภายในใจแต่คิดอ่านใจตรองเรื่องอะไรอันนี้ย่อมไม่มีความหิวโหยวุ่นไปกับอารมณ์ต่างๆตั้งหน้าตั้งตาทํางานหรือพิจารณาอะไรก็จงใจพิจารณานั้นจริงๆแล้วเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาเข้าใจโดยลํำดับลาดับ อันนี้ว่าสมาธิปริทาริกาปัญญามหาพลาโหติมหานิชัางสร้างปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากคือย่อมคล่องแคล่วแก้วก้าวไปได้อย่างรวดเร็ยวยิ่งกว่าติตที่มีฐานแห่งความสงบนั่นเลยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจริงแยกกันไม่ออกผู้ปฏิบัติจึงต้องนํามาใช้เสมอแม้แต่ผู้เป็นพระธีนาจบแล้วยังต้องใช้สมาธิ เพราะนหตุลายดินต้องทใายเพราะสมาธิเป็นเครื่องประสัดประสานหเป็นเครื่องสมัครสมานระหว่างขันกับจิตได้ดีในขณะที่จิตคิดอ่านแต่จรองอะไรซึ่งเป็นการทํางานภายในจิตจิตย่อมมีความเหนื่อยเป็นธรรมดาแล้วก็บพักจิตด้วยสมาธิเมื่อพักจิตในสมาธิต่อยเรื่องความคิดความปรุงที่เรียกว่างานภายในใจเสียทั้งหมดจิตก็สงบตัวอยู่โดยลําพังไม่เกี่ยวข้องกับ ขันใดทั้งนั้นพอถอยออกมาแล้วประมลกำลังระหว่างขันกับจิตก็พอเหมาะพอสมกันแล้วทํางานได้ต่อไปท่านจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ตลอดปันประนิพานเรื่องสมาธินี้ท่านจะจะต้องใช้อย่างนั้นตลอดไปจึงเรียกว่าท่านทําความเพียรเพียรระหว่างขันกับจิตเท่านั้นไม่ได้เพียรเพื่อจะละถอนยิ่งเล็ดตัวใดหากว่าจิตไม่ได้ใช้ความพิจะน้าเรือว ไม่ได้ปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขันกับตัวเองคือกับจิตส่วนที่จะเป็นส่วนเสียก็คือขันไม่สามารถที่จะตัองอ้งเดียงถาวาไรได้เท่าที่ควดให้ส่วนจิตซึ่งเป็นของบริสุทธิแล้วนั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาว่าจิตจะเสียไปอย่างนั้นไม่มีนอกนานจากธาตขันจะบครองตัวไปไม่ถึงการอันควรเท่านั้นท่านจึงปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขั น, ขนกับผิตที่เรียกว่าคิดธรรม มิหาราธรมคือ ท, ทำเครื่องดู่สบายในระหว่างขันกับจิตที่กําลังคลองตัวอยู่อะไรเป็นเครื่องเสริมกําลังของจิตก็คือความเพียรความสงบเสริมกําลังของจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงอะไรที่จะเสริมจิตถ้ามีความผ่านพ้นไปโดยลําดับ ก็คือปัญญาเป็นเครื่อง ส, งส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องแก well. ้สิ่งที่ขัดข้องเวลาเช่นเราเดินทางวันี้มีขวากมีหนามเราก็เอามีดหรือเอาอะไรฟันออกไปเดินไปเรื่อยฟันออกไปเรื่อยอะไรมาจิดมาขวางก็ฟันเรื่อยเดินไปเรื่อยจิตดำเนินไปก็ต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องาขวับรักษาขัดข้องที่ตรงไหนก็แก้ไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเืยก้าไปเรื่อย เรียกว่าออก้าวไปหรือว่าพ้นไปอยู่ภายนจิตอันนี้เป็นสมมุติอนนันหนึ่งการปฏิบัติต่อจิตใจการสอดรู้อาการของจิตที่แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผู้ปฏิบัติมีเรียกว่าเรียนตัวเองโดยเฉพาะคือเรียนเรื่องของจิตให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างบรรดา อาการของจิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแยกแยะไปนในทางใดถ้ามีเราได้ฝึกผนอบรมสติเราจะมีกำลังแล้วเพียงจิตก็เพื่มเท่านั้นก็เป็นการปลุกสติในขณะนั้นพร้อมๆกัน ค, คือปลุกสติให้ตื่นคือให้รู้สึกในความคิดปลุกนั้นๆปัญญาก็าตามตามให้ถันหรือตามทันทันที พิจารณาเหตุผลในสิ่งที่ผิดคิดนั้นแล้วปล่อยวางเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางและนี้เรื่องไม่มีเพียงเรื่องเดียวมีหลายเรื่องด้ยวยกันคิดเนี้ยนี้แล้วก็ปรุงเนี้ยนั้นจิตสติปัญญาก็ตามต้อนกันเรื่อยๆสุดท้ายจิตก็เข้าใจเพราะการตามต้อนมันหมายถึงตามต้อนด้วยเหตุผลพอจิต ได้รับผลผลที่ถูกต้องแล้วจิต ก, ก็ปล่อยสิ่งนั่นไม่ไปกังวลต่อไปอีกที่จะต้องยึดถือแล้วปล่อยมาเรื่อยๆอยีกท่านเดี๋ยวบอกปล่อยวางปล่อยวางด้วยปัญญาปล่อยอย่างนี้เพียงขั้นของสมาธินั่นก็เป็นความสงบของใจยังไม่ปล่อยวางอะไรแพ่ยงสงบของใจชั่วระยะระยะพอเป็นบาทเป็นฐานส่วนปัญญานั้นเป็นเครื่องขุดเครื่องค้นเครืตัดฟังสิ่งที่เกาะเกีเ่ยวอยู่ภายในจิตมีมากน้อย เปนเรื่อของปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติทำคือจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกย่อมมีความลําบากลําบนนั่งก่อเหนื่อยง่ายก็ผลยังไม่สะทากฏการฝึกจิตจิตก็ดื้อดึงฝ่าฝืนมากบางทีสู้มันไม่ได้และส่วนมากสู้มไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกแต่อาศัยความพยายาม ฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็อมีวันหนึ่งจนได้ที่จะกล้าข้าขสู่ความสงบให้เห็นผมขึ้นมาพอเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราหรือพอเป็นหลักฐานทยายาให้เกิดความมุสาพยายามในการที่จะดำเนินให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นต่อไปต่อจากนั้นก็มีความสงบเรื่อยๆจิตใจถ้ามีความสงบแล้วก็คือเย็นใจสบายเหมือนกับเรามีหลักมีแหล่ง มีที่ยึดที่หมายถ้าไม่มีความสงบเลยก็ไม่ทราบว่าที่ยึดที่หมายอยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กลางทะเลเรือรก็คอยแต่จะล่มจะจมอยู่แล้วด้วยพายุต่างๆไม่ทราบจะเกาะอะไรนี่แหละทําให้เกิดความว้าวเลยหรู้ว่าบุญขุนมัวมากเพราะจิตหาหลักยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องความสงบจึงเป็นหลักยึดอันดีของจิตในขั้นเริ่มแรกอันจึงสอนให้อบรมให้มีความสงบ เราไม่ต้องถือว่าทําบทใดต่ำทําบทใดสูงที่จะนํามากํากับจิตนั้นขอให้เหมาะสมคือกับสจิตของตนเท่านั้นเป็นที่ถูกต้องนํามากํากับถ้าจิตชอบจะคิดออกในภายนอกบ่อยๆก็ให้เรื่องขโมิกรร ม, ใ ห, มให้ถี่ยิบเข้าไปสติดตามให้ทันและจิตก็มีโอกาสที่จะเลี่ยร่เอกไปสู่ภายนอกได้แล้วพยายามเข้าสู่ความสงบ มอันนะ่พอสงบแล้วก็ยินสบายมีหลักเกณฑ์มองปปไห้ก็ไม่เป็นปืนเป็นไฟเลยหมดเหมือนอย่างตก่อนพอออกมาจากความสงบเล่นอีพิจนาอีจนมีความสงบแน่วแน่หรือแนบแน่นเข้าไปด้วยแรง การพิจารณาขันที่ทันเดียวกว่าปัญญาไม่ว่าขันนอกขันในที่ไหนๆพิจารณาได้ทั้งนั้นพเพราะเป็นไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพิจารณาเพื่อแยกเพื่อแยกให้เห็นตามความจริงของสริงนั้นแล้วจิตจะได้ปล่อยกังวลผลสุดท้ายก็ย้อนเข้ามาพิจารณาเรืงขัน ข, ของตัวเองขันทั้งห้าได้เคยพูดทุกวันขันนี้ปล่อยไปไม่ได้เพราะเป็นหลักสําคัญของสัจธรรมเป็นหลักสําคัญ ของการก้าวไปแห่งจิตหรือเป็นหลักสาคัญแห่งความรู้เป็นหินลักปัญญาอย่างยิ่งก็คือขันทาสติปัญญาและแม่ทันที่เป็นข้าศิกต่อตนเองอย่างยิ่งก็คือขันนั้นจึงต้องพิจารณาขันขันมีติดแนบกับเราอยู่ตลอดเวลาส่อความพิรุส่อความทุกข์ความลําบากลําบนความทรมานต่างๆดูกับ อิจตลอดเวลาเสียดแทงอะไรปรากฏขึ้นมากน้อยต้องเข้าไปเสียดแทงจิตใจเสียดแทงจิตใจให้เกิดความวุ่นวายไปอยู่ไม่ขาดระยะการเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาให้ทันกับอาการเหล่านี้ที่แสดงตัวความจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะยุแย่ก่อควาเราอะไรเลยหากเป็นอาการของจิตเราไปสําคัญกันเราเองทุกข์ก็เกิดขึ้นมาธรรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับแดดเนี่ยเวลาฉายลงมาจากพระอาทิตย์ พอการเราจะสัมผัสก็ร้อนแดดเองเขาไม่ทราบความหมายของเขาเลยน้ำเขาก็ไม่ทราบความหมายของเขาว่าเย็นแดดลรืไฟเขาไม่ทราบความหมายขนว่าร้อนแต่ผู้ทราบความหมายก็ก็คือเราผู้สัมผัสกับน้ำหรือกับไฟกับแดดนั้นอันนี้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมาเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นเวทนาะเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ทราบว่าเขาเป็ น, ปนสุขเป็นธรรมชาติอันหนึน่งเท่านั้นแต่จิตผู้ไปสัมผัส ความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั้นเกิดความหมายขึ้นอีกในแง่หนัง่งนี่แหละความหมายในแง่หลังเนี่ยเป็นสําคัญที่จะการถึงนกินเลสเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะแง่หลังนี่เป็นสําคัญเพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามสกลอากาธรรมดานี้ใครๆก็เกิดได้ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นที่จะรับภาบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในภายในพระกายพระหันท่านก็เหมือนกันแต่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา พราะท่านทราบคุณธรรมดาโดยสมบูรณ์แล้วว่าเรื่องทุกขเวทนามันเกิดขึ้นก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายทั่วทั่วไปแต่ธรรมชาติอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตก็เป็นผู้รับทราบด้วยความจ ร, ริงของจิตด้วยความจ ร, ริงของสภาวธรรมคือทุกขเวทนานั้นเท่านั้นจึงไม่มีอันใดที่จะกํำเริ่ขึ้นภายในจิตให้ก่อเป็นตัวทุกขขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากสมุทัยคือความหลงเพราะท่านไม่หลง เกิดขึ้นท่านก็ทราบว่านี้เป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตั้งอยู่ท่านก็ทราบดับไปท่านก็ทราบท่านทราบทั้งสามีะยคือระยะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ประจําขันขันมีอยู่อย่างนี้นีปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีกุกเทนาเป็นต้นจินยารับทราบก็ทําองเดียวกันแต่ส่วนที่มี ความกระเทือนต่อจิตใจมากนีงก็คือเรื่องทุกขเวทนาถ่าสิ่งต่อนั้นพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอันนี้เป็นความจริงล้นล้วนถ้าจิตได้พิจารณาเห็นตามความจริงของเขาแล้วจิตก็จะเป็นความจริงอันหนึ่งไม่ไปถือความเป็นความหนักใจไม่ถือเป็นความเบาใจกับเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แม้วาลสุดท้ายที่เขาจะแตกก็ทานองเดียวกัน ทุกเวทนาดัดไปขันก็สลายตัวไปอาการทั้งห้าไปพร้อมๆกันหมดสิ่งที่ไม่ไปคือสิ่งที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ไม่เป็นอื่นเป็นจิตที่เป็นผู้รู้อันนี้ไม่แปรนอกจากแปรตามอาการของจิตเท่านั้นส่วนจิตจริงๆจะให้แปรเป็นอย่างอื่นไปเป็นแต่ไม่ได้การพิจาร ณ, ณาเัื่วก็เพื่อกกจะให้เข้าใจจิตอย่างแท้จริง ให้เข้าใจขันอย่างแท้จริงขันเป็นอันใดท่านสอนไว้อย่างตายตัวถ้าเราไม่ฝืนความจริงที่ท่านสอนไว้เราก็ไม่เป็นทุกข์ท่านก็บอกแล้วว่ารู ป, ปังอนิจจังรูปสรุปแล้วรู ป, ปังอนัตตาเวท น, นาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตานั่นเป็นตนที่ไหนอนัตตาอนัตตาบอกชัดเจนท่านปิดประตูไว้ไม่ให้เราเอื้อออกไป ยึดไปถือถ้ายึดถือแล้วแม้จะเป็นสิ่งที่อนัตตาไม่เป็นภัยอะไรสำหรับเขาเองก็ตามแต่ก็เป็นภัยต่อเราผู้หลงสุดท้ายคือความหลงเรานั่นแหละมาเป็นภัยต่อเราเองท่านจึงแยกแยดูสิ่งนั้นแล้วให้มาทราบความลำบาญของคนที่ว่าไปหลงกับสิ่งนั้นๆเพื่อจะได้แก้าภายในนี้อีกหายสงสัยกับสิ่งภายนอกแล้วก็มาเห็นโทษตัวเองผู้ไปหลงทงเขาจะว่าแก้ของชั้น ในขันหาท่านบอกว่าอย่างนี้อันนี้จังทุกขงังตามันอันเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะแยกกันออกได้ทุกครั้งในจังตามันอยู่ด้วยการเหมือนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายขวามคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข้างซ้ายอันหนึ่งข้างขวาอันนั้นเป็นข้างหน้า น, นี่เป็นข้างหลังก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองอันนี้จังทุกขงังตาก็คือสภาพอันเดียวกันนั่นถ้าเราจะยายไปแยกไปแยกไปตามอาการหน้ามากรากอง ก็ทําให้พ่านเสียวเราเปล่ามันก็เกิดประโยชน์อันใดที่เป็นที่ถนัดใจของเราเช่นพิจารณาเรื่องทุกขังเป็นที่ถนัดใจให้กําหนดลงไปเลยจะทั่วถึงไปทั้งอนิจจังทั้งอนัตตาด้วยเนี่ยแม้ว่าอาการใดเช่นอนัตตากับพิจารณาตาเขากลมกลืนกันหมดพิจารณานิจจังก็กลมกืนกันหมดขอให้เป็นความถนัดใจของเราผู้พิจารณาความถนัดใจเป็นสิ่งสําคัญ หเห็นตามความจริงของมันอย่าปีงเปลียวกับความจริงที่พระองค์สอนไว้โดยถูกต้องนี่เป็นกองไตรักษ์บอกแล้วอย่าอย่าเอื้อมอย่าไปยึดอย่าไปแบบไปหามมันหนักให้ปล่อยตามความจริงของมันทุกครั้งจังตามีอยู่ทุกอาการของขันรูปกอเป็นกองอันหนึ่งไตรลักษเนี่ย เลธนาไตรลักษณ์สัญญาก็ไตรลักษณ์ทังขานก็ไตรลักษณ์ยิญญาณก็ไตรลักษณ์เขาเป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้วตามความจริงขั้งตนเราอย่าไปยึดเราอย่าไปสําคัญอย่าไปปักปันเหตุดแดนเอาว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเราก็สาบายเนื่อการพิจารณาทางนั้นปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้อิดให้รอบคอบตัวตนเองให้ฉลาดตัวตนเอง ทำให้ฉลาดก็ไปหลงเขาความหลงเขาจะตําหนิเขาอย่างไรไม่ถูกเพราะเราหลงเองต้องตําหนิเราผููผู้หลงเมื่อเรารู้แล้วมันก็หมดทางตําหนิอาการเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันทสียหลายตัวลงไปใครเอาไปได้ควกองลูกกองเวทนาสัญญาสั้งขานอยานน่างนี้ปล่อยตามสภาพของมันหมดความหมายไปในขณะนั้นเนี่ยพิจารณาให้เข้าใจเสียตั้งแต่บัดนี้ เราจะเป็นที่สะดวกสบายใจนี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งการพิจารณาขั้นสุดยอดแ ห, ยแห่งทุกแห่งสมุทัยแห่งธรรมก็คือขั้นจิตล้นล้ว น, วนขั้นจิตล้นล้วนคืออะไรจิตล้นล้วนนั่นหมายถึงว่าจิตกับอวิชาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลย เนี้ยเอากิจอันนั้นอ่ะคือเอาความรู้ความรู้ประเภทที่ปล่อยวางจากรูกจากนามหมดแล้วนี้จะเป็นความรู้ที่เด่นที่สุดเป็นความรู้ที่อัศจรรย์อยู่มากมายฝ่ายก่อนจนเจ้าตัวก็ต้องหลงเชินกับความรู้ประเภทนี้ถือว่าเป็นของดีพ่งดีอย่างยิ่งและมีความรักความเจ้าหมอนไม่มีอะไรที่จะเท่าเทียบเท่าได้แล้ว ถือว่าอันนี้เลิศประเสริฐกว่าสิ่งใดทั้งหมดบรรดาที่พิจารณามาบรรดาที่เคยเจอหรือเคยพบเคยเห็นมาไม่มีอันใดที่จะมีความสง่าผ่าเผยไม่มีอันใดที่มีความสว่างกระจ่างแจ่มเป็นสิ่งที่นาจจ่ารักยิ่งกว่าจิตดวงนี้นี่แหละท่านอย่าไปอวิชาแท้เป็นอย่างนี้ต้องทําให้หลงถ้าไม่มีผู้เตือนก็ก่องยังไงก็ต้องหลงในจุดนี้แน่ๆบรรณาผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้น เมื่อเราทราบแล้วว่าจุดนี้เป็นอย่างนี้อวิชชาเป็นเช่นนี้การพิจารณาจึงต้องอย่างลงในจิเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นเพราะสิ่งอื่นเข้าใจหมดทังขานปลุงขึ้นมาทับมันกระดับก็ลงไปอยู่อวิชชานั้นเสียเพราะวิชาเป็นผู้บ่งการในเมื่ อ, อวิชามีอยู่สังขานปรุงขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องอวิชชา้าให้ปรุงลาดข้าบาอะไรก็ตามเป็นเรื่องอวิชชาที่จะถ้าสําคัญมั่นหมายไปต่างๆนานาเนีย อะไรๆก็เป็นกิเลสไปหมดเพราะอวิชชาพาให้เป็นนั้นจึงต้องโค้นลงไปที่จิตเอาจิตนั่นแหละเป็นสถานที่พิจารณาหรือเป็นต้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างสติปัญญาลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ถือความรู้นั้นว่าเป็นตนถ้ายังถือความรู้นั้นว่าเป็นตนอยู่การพิจารณาเขาไม่ถนัดกลัวความรู้นี้จะเสื่อมบ้างจะสลายไปบ้างจะสูญหายไปไหนมัง่ง กลัวจะล่มจมไปต่างๆนานามัางไม่อยากแตะกล้องนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งหลอกเราอย่างอย่างสนิททีเดียวเพราะนั้นเพื่อความถูกต้องตามการพิจารณาจริงจริงจึงต้องถือเอาจุดแห่งความรู้ที่เด่นทักที่ว่าอัศจรรยมากๆานั่นแหละเป็นจุดที่พิจารณาคลี่คาลงจุดนั้นพิจารณาลงจุดนั้นเช่นเดียวกับสภาวธรรมกับเช่นเดียวกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายโดยไม่ ถือว่านั้นสูงนี่ต่ําไม่ถือว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแม้แต่จิตคือความรู้รรอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะพิจารณาให้เข้าใจจุดนี้นั่นจึงต้องพิจารณาลงไปที่ต่งนั้นพอพิจารณาเข้าไปจุดนั่นแล้วมันจะอดเข้าใจได้อย่างไงจะทนต่อความเข้าใจได้อย่างไงทนต่อความที่ถูกได้ย่างไงต้องเข้าใจอ่าสิ่งที่ว่าอาจารย์ก็สลายไปหมดจึงได้เห็นชัดเจนว่านี้คือตัวหลอกลวงอันสุดท้ายคือธรรมชาตินี้แหละ ที่มีขันก็หมดปัญหาคำว่าจิตก็หมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวะธรรมทั่วๆไปหมดปัญหาเมื่อจิตหมดปัญหาในตัวเองเพียงดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาในโลกนี่คือจุดจุดท้ายของการพิจารณาธรรมการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมการรู้ทุ ก, ก็ดีรู้สมุทักทยก็ดีก็รู้นี้เป็นจุดสุดท้ายการรู้ธรรมที่อยกากทาอันสูงสุดก็รู้นี้เป็น ขั้งสุดท้ายจากนั้นไปต่อไปอีกไม่มีอะไรที่ไปรู้ต่อไปอีแล้วจะทําให้หลงอะไรก็ไม่มีทางที่จะหลงต่อไปอมันเป็นอากุปะหรือเป็นอาัานะมันเป็นไปไม่ได้ต่อจากนี้ไปแล้วดังที่ท่านกล่าวว่านับประลังอิศกายติ ป, ปะชานาติจะทําให้ยิ่งกว่านี้ปนไปอีกก็ไม่มีเพราะได้รู้ชอบกุศลทุกอย่างแล้ว ถ้าเราพูดในจุดนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่กว้างขวางอะไรเลยการปฏิบัติศาสนาแต่ก่อนที่จะมาเป็นเช่นนี้มันก็เทียบกันกับข้าวในจานของหลังนั่นแหละข้าวที่มันตกในจานนี้มองอยู่ในจานก็เหมือนว่าแคบนิดเดียวเหมาะกับการรับทานเท่านั้นแต่ข้าวนี้มาจากไหนเราลองไล่ไปดิกินูหนมาจากไรจากนาจากอะไรเลยก่อนที่จะทํามาเป็นมเมล็ดข้าวให้สังเหนื่ขึ้นมาถึงการรับทานนี้มันดืดยาว อทําเป็นปีน่ะอะอันนี้การพิจารณาทำก็เริ่มมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกครานคุกขัดคุกโธทำโมสังโพล้มแล้วล้มอีกอยู่นั้นแหละไม่รู้กี่ครึ่งกี่ล้มกี่ลุกเละพยายามเกืี้ยกล่มมาโดยลําดับด้วยความอุตสาห์พยายานเรื่อยอมาะจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าเนี่ยควรจะการรับทานนี่ย่าบว่า ม, มันแคบต อ, อนต้นมันกว้างขนาดไหน มันหนักขนาดไหนหนักจนยกไม่ขึ้น่ว่ากว้างกกว้างจนมองหาทางไปไม่เจอพอถึงขั้นแคบแล้วก็แคบอย่างนั้นพอแคบขั้จะแคบนี้หมดไปแล้วที่นี่กว้างก็ไม่ว่าแคบก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าทั้งนั้นเพราะหมดสิ่งที่จะว่าจิตหมดโทษไม่มีอะไรที่จะว่าต่อไปนั่นคือแดนแห่งความทุกข์โดยสิ้นเชิง พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีถึงแดนนี้ด้วยกันไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายว่าจะยิ่งหย่อนกว่ากันในความบริสุทธินี้ไม่มีเสมอกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยคือความสามารถฉชาติรู้ในแง่ต่างต่างของธรรมนั้นมีความลึกตื้นยาประเยชน์กว่ากันเท่านั้นแต่ขั้นบริสุทธินี้เหมือนกันหมด ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตถิเอโยวปาปิโยให้มียิ่งหย่อนกว่ากันเลยแม้แต่นิดบรรดาพระอรหันตินาศบทั้งหลายนับแต่วุ้ยเจ้าลงมาเสมอกันก็คือจุดนี้นี่ดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงในเรื่องนี้มิดที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านในครั้งพุตรการท่านเคารพกันอย่างไรปรากฏนั้นมิดว่าบรรดาพร ะ, ะสงฆ์สาวกทั้งหลายที่หลังไหลมา พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาใครมาถึงก่อนนั่งเป็นลําดับลำดาตามผู้ที่มาถึงก่อนไม่ได้คำหนึงถึงเอาโสพันเตพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่หลังก็ประทับอยู่โน้น<ห>ก็ยิดตกขึ้นมาอีกนี่เพราะเห็นนายที่ต้องเป็มเชนนิความเคารพขั้นบริการเป็นอย่างนี้เลยก็รู้กันมาทันทีนี่คือวิสุทธิธรรมเท่าเหมือนกันอย่างนี้ไม่ว่าใครมาก่อนมาหลังนั่งตามความก่อนมาหลังคือเป็นความเสมอท่า นับว่าผู้นี้น้อยผู้นี้เป็นผู้ใหญ่ผู้นี้อวุโสผูี้พันเตะเพราะความไม่สุดเท่าเหมือนกันเนี่ยแยกตามสมมุติเล่ากําหนดทางด้านสมมุติคลิกทุทบเดียวท่านหร่พระพุทธเจ้าประทับอยูตรงหน้าเลยแล้วบรรดาสาวกเพียงลาดับลำด า, า, รรำด า, ำดานี่คือสมมุติในความเคารพในทางสมมุติเป็นอย่างนี้มีอวุโสพันเตอย่างนี้นี่นานท่านแยกทั้งสมมติทั้งสมมุติให้เห็นอย่างชาัดเจน การเคารพกันก็มีใครที่จะเคารพนิ่มนวลยิ่งกว่าท่านผู้สิ้นชีวิตเคารพ ก, กันไม่เป็นพิธีดีกลรงไม่เป็นอะไรๆเล่่เหลี่ยเหมือนบางคนมีพิธีทาเคารพบท่านเคารพกันอย่างถึงใจเคารพคุณธรรมเคารพบำลังกินการเคารพบำลังกินด้วยความจริงภาในจิตใจนี้จึงทําได้สนิทแต่การแสดงออกเียงเป็นมารยาทนั้นแม้จะภายนอกจะอ่อนโดื่อเขาตามแต่ภายในมันแข็งคือ มันไม่เหมาะสมจึงมีรุ่นบุญบรรดาลทุงลุ่มต่ำไม่สม่ำเสมอเหมือนกับความจริงที่เป็นออกมาจากความจริงมันนี่แสดงเป็นตอนนี้ยึดติดะ